ทีนี้เมื่อรู้อย่างนี้ว่ารูปรูปเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอาหารเกิดเป็นต้นทีนี้รูปเหล่านี้ถ้าถามว่าความดับรูปเหล่านี้เพราะอะไรดับถ้าสิ้นอาหารหรืออาหารดั บ, ดบรูปก็ดับหลักการนี้รูปรูปสมุทยัยรูปนิโรธถ้ารูปนิโรธาขาไ ม, ม่มีปฏิปทา รูปนิโรทาคามินีปฏิปทาเป็นยังไงแล้วปฏิบัติยังไงจึงจะดับรูปจริงๆเนีงง่ยนะบุคคลรู้อย่างไรเห็นอย่างไรจึงจะดับรูปตัวที่เราต้องการจะดับจริงๆก็ดับอะไรตรงๆเลยดับตาโอ้จมูกลิ้นกายหายัตถันเป็นที่เกิดของใจด้วยเนี่ยนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการต้องการดับแล้ววิธีสร้างสร้างพวกนี้สร้างยังไง ก็อาศัยตาไปดูสีนั่นแหละเพื่อสร้างตาหูมาฟังเสียงเพื่อสร้างหูมีจมูกมาสร้างมารู้กลิ่นเพื่อสร้างจมูกมีลิ้นมารู้รสเพื่อสร้างลิ้นมีกายรับกระทบโพธะพเพื่อสร้างกายนึกคิดเรื่องทั่วไปเพื่อสร้างอัธยะนั่นแหะก็ชีวิตวงจรของวัตตะมันก็เป็นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นรูปลักษณะของรูปสมุทยัยนนะนี่เป็นรูปสมุทยัย ถ้ารูปนี้โรดก็ต้องรู้แล้วต้องดับตรงนี้ใช่ไหมคือดับฉันทราคะในสีดับฉันทราคะในเสียงดับฉันทราคะในกลิ่นดับฉันทราคะในรสดับฉันทราคะในโพธิภะดับฉันทราคะในธรรมรรคมทั้งหลายเนี่ยนะถ้าดับฉันทราคะได้อันนั้นก็ต้องอตัวดับนะรูปก็จะดับ แล้วคิดยังไงจึงจะดับรูปจริงๆอ่นนะจบนี่คือปัญหาที่เราเรียนอยู่ตอนนี้เราเรียนตรงนี้เพราะฉะนั้นหลักการกฎเกณฑ์ก่อนหน้านี้ถือว่ารู้กันเป็นอย่างดีนึกว่ารู้กันนี่สิลำบากมากเปนน็นขั้นเป็นตอนไปนะเมื่อกินิ้พระอาจารย์แสดงเรื่องรูปนะในคำพีบววอกว่ารูปคือหมหาพุทธรูปและรูปที่อาศัยนะทานั้นนะ และต่อไปท่านบอกว่าเมื่ออาหารเกิดรูปจึงเกิดก็แสดงแล้วนะแสดงว่าไม่ใช่อาหารอย่างเดียวนะมันก็รู้กันแล้วนะรูปนี้มันต้องมีจิตมีอุตุมีกรรมมีนั่นแหะเป็นเป็นสมุทฐานนะมันจึงเกิดนะอันนี้ก็หมายความว่านี่ก็ยตะต่ปริญญาถ้าไม่รู้อย่างนี้นะเราจะไปรู้ปริญญาสูงขึ้นไปก็ไม่ได้อยู่แล้ว <S <S ตอนนี้อาจารย์ก็เลยไปหน่อยนะถ้าดับเนี่ยนะอาจารย์ก็แสดงแล้วนะว่าถ้าดับอาหารดับก็ไม่ใช่หมายความว่าอาหารอย่างเดียวนะดับ อาหารอย่างเดียวดับมันก็ดับแล้วแต่ว่าอย่างอื่นด้วยถ้าจะพูดถึงว่าความดับเนี่ย ก, กำจิตอุตุอาหารนั่นแหละถึงดับแล้วนะครับทีนี้ถ้าปฏิบัติอย่างไรจึงจะดับใช่ไหม ท, ที่เรากําลังมากล่าวว่าปฏิบัติอย่างไงจึงจะดับฉันทราคะในในที่ต่างๆดังกล่าวไปสูตรที่เราเรียนก็คือสติปัฏฐานอยู่ตอนนี้นี่นะเขาบอกว่าพิจารณา เห็นกายในกายเนี่ยนะกายเยกายานุปัสสีตรงเนี้ยคือข้อปฏิบัตินะอนุปัสสีก็คือผู้มีอนุปัสนาพัน อ, อนุปัสนาเจ็ดอ่า น, นะอนุปัสนาเจ็ดมีกายเป็นอารมณ์ อนุปัสนาเจ็ดมีกายเป็นอารมณ์อั น, อนุปัสนาเจ็ดมีอะไรบ้างใครดีเนาะใครเนี่ยจังเกตอนอนนะหอนิจจานุปัสนา 2. ทุกขานุปัสนา 3. อนัตตานุปัสนาสี่ทำไมเร็วจังนิพพานุปัสนาเนี่ยนะ นิพิธาเป็นอะไรต่อไปวิราคานนปัสนาสเออครข้ไม่ใช่นิโรธานุปัสนาแล้วก็ปฏินิสขานาัสนาผัสผู้ที่มีอนุปัสนา7เรียกว่าอนุปัสสีเอนุใครก็ตามที่มีอนุปัสนา7โดยที่มีกายเป็นอารมณ์บุคคลนั้นเรียกว่า อนุปัสสีเนี่ยนะอนุปัสสีทีนี้บุคคลที่จะเห็นอนุปัสสีเนี่ยพิจารณาอย่างไรก็เช่นตามเห็นตาเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นโดยความเป็นของเที่ยงตามเห็นตาโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นโศกตามเห็นตานี่แหละโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นโดยความเป็นอัตตาตามเห็นตาเนี่ยน้าเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลิดเพลินเห็นตาเนี่ยเพื่อคลายกำหนัดไม่ใช่ ไม่ใช่กำหนับเห็นตาเนี่ยเพื่อจะดับไม่ใช่ก่อขึ้นทําเห็นตาเนี่ยบริจาคนะไม่ใช่รับบริจาคต้องการบริจาคมนะั้ยไม่ใช่ต้องการจะรับบริจาคปฏินิสัคาก็คือสละคืนเนี่ยนะไม่ใช่รับอันอนุปัสนาเจ็ดอย่างนี้เนี่ยนะอนุปัสนาเจ็ดพิจารณาหนึ่งตาสองพิจารณาหู 3พิจารณาจมูก4พิจารณาเลน5พิจารณากาย6ก็พิจารณาสีเอพิจารณาหนะพิจารณาสีเจพิจารณาเสียง8พิจารณากลิ่น9พิจารณารส10พิจารณาผลพระเพราะฉะนั้นถ้าที่เหลือทั้งหมดไม่น่ามีปัญหาเอาที่มันยับยอบนี้ก่อนเอะอันนี้ยาวที่สุดแล้วเพราะั้นทั้ง10อย่างเนี่ยนะอายตนะสิบนี้คูณ อนุปัสนาเจดนี่แหละ เ, เรียกว่าข้อปฏิบัติเพื่อความดับกายเนี่ยนะข้อปฏิบัติเพื่อความดับกายทีนี้อย่งอางทุกขานุปัสนาเนี่ยนะพิจารณาพวกนี้โดยทุกขานุปัสนาพิจารณาอย่างไรเมื่อวานกล่าวไปแล้วใช่หมหนึ่งอันนะคือพวกนี้แหละอันนะของของสิประการเนี่ยหนึ่งชาติตุกข์ชาราทุกข์ นนพยาที่ทุกขมรณะทุกโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตทุกการตามเห็นสิ่งนี้ตามตามเห็นอย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นทุกขานุปัสสนาเหนไตามเห็นว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีชราเป็นธรรมดามีมรณะเป็นธรรมดาโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเป็นธรรมดา แล้วก็พิจารณาว่าวัตถุนี้เป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเป็นที่ตั้งแห่งโมหะเรียกว่าสาสวตโตสังกิเลสิกธรรมโตเป็นต้นก็ตามเห็นอย่างนี้แหละเรียกว่าเจริญทุกขานุปัสสนานี่อีกในหนึ่งอีกในหนึ่งก็เจริญนิจานุปัสสนาก็คือเป็นของที่ไม่เที่ยงนะเขาเป็นของชั่วคราวเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นของที่สิ้นเสื่อมสลายดับแปรปรวนเป็นธรรมดา นันก็ตามเห็นอย่างนี้บ่อยๆขึ้นซึ่งในโลกของสีเนี่ยจะเห็นชัดโดยเฉพาะถ้าใครเป็นคนเก็บสติเรื่องสีหน้านะคนเดียวเนี่ยเราสมมติถ้าเราเราดูหน้าใครเนี่ยดูดูบ่อยๆหน่อยนะแล้วก็สังเกตหน่อยเดี๋ยวก็แม้กระทั่งสังเกตในแง่จิตแต่ชรูปนะใครรักษาได้เหมือนเดิมในมีเนาะวันหนึ่งก็เดี๋ยวก็บานบ้างก็หุบบ้างก็ฟอบ้างอรหลายอย่างแล้วแต่ปัจจัย ถ้าวิเคราะห์ตัวที่จิตแต่ชรูปก่อนนะถ้าอุตูชรูป่ะแล้๋ยวก็พิจารณาอาหารชรูปนะผู้การพิจารณาอะไรนะถึงก็ผมมันบางขึ้นเรื่อยๆนะตอนแรกก็เข้าหน้ามันดีขึ้นใช่ไนะตอนหลังไอ้ทําไมมันดูสูงขึ้นสูงขึ้นหนะ้ากว้างขึ้นนะ้กว้างขึ้นผมลดลงไงนะมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็สามารถที่จะมาพิจารณาได้ ก็ตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงซึ่งก็เปลี่ยนแปลงเลยนะซึ่งในโลกนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่อะไรนะตอนนี้นะแรกเกิดจนถึงตายดังนั้นก็การพิจารณาภายนอกนี้จะช่วยเราได้มากถ้าทำว่าภายในเรายังไม่ค่อยจะเห็นของเราเลยนะภายนอกซึ่งเราเกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงตายก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของ อะไรนะเรียกว่าชีวิตวัยวันคืนผ่านไปไวัยของสัตว์ทั้งหลายก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอยู่อย่างนี้จริงๆก็คนอายุมากๆก็ไปคอยรับส่งเด็กใช่ไหมรับส่งเด็กไปโรงเรียนเป็นต้นก็จะเริ่มเห็นวงจรชีวิตที่มันเป็นไปก็ผ่านโรงเรียนทุกวันอยู่แล้วนะก็แล้วก็ผ่านวัดทุกวันอยู่แล้วซึ่งก็พอจะมองเห็นนั่นละเกิดจนถึงตายได้เป็นภาอีสานนะกำแพงวัดนี่มีชื่อหมดเลย ทุกล็อกทุกล็อกอุทิตให้แก่พ่อสาแม่ศีอะไรก็ว่าไปเห็นหมดแล้พวกนี้ก็การตามเห็นโดยอนุปัสนา7เช่อนอนิจจาทุกขันอนัตตาอนุปัสนาเนี่ยอย่างที่กล่าวว่าอนิจจาอนิจจสัญญาเจริญอนิจจาสัญญาใช่ไหมตามเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเช่นของที่ตายเป็นเป็นต้นเนี่ยนะตามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นทุก ตามเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละว่าเป็นอนัตตาเมื่อเจริญอย่างนี้นิพพิทาก็จะเกิดขึ้นพวกที่ได้นิพพิธ า, างั้ก็เป็นพวกสัพพะโลเกนะพิรตสัญญาก็ไม่ไม่ได้น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีอะไรเนั้นพวกนี้ก็ต้องการต้องการจะมีขันเหล่านี้ไหมถ้าว่ารวมๆเลยนะถ้าเห็นอะทุกอย่างเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาหน้าเบื่อนหน่ายเนี่ยต้องการเพิ่มไหมก็ไม่ต้องการเพิ่มเติมนะใช่ไหม ต้องการสร้างอีกไหมต้องการอย่างนี้อีกไหมเอาไหมไปเกิดที่ประเทศบางประเทศแถวตะวันออกกลางตอนนี้ไม่ใช่บางประเทศแล่ทุกประเทศเลยนะในห้องเราเนะทุกประเทศเลยนะไม่น่าสนใจหมดเลยใช่ไหมพิเศษก็อิรักไงนนะเอาไหมแต่ <laughs> <laughs> เกิดตอนนี้เดือดร้อนแนะ่เพราะไม่รู้ว่าโรคขาดอาหารจะเกิด <laughs> เริ่มขาดอาหารเนะะี่ยอยู่ในคัน น, นัละปัญติสัสนสานุ ป, ปัสสนาก็ สละคืนเนี่ะมันการตามเห็นรูปอย่างนี้เป็นปกติเรียกว่ากายานุาานปัสสีเนี่ยนะทุกอารมณ์นะทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งภายในและภายนอกก็พิจารณาอย่างนี้ทั้งโดยความเกิดและความดับทบทวนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆแต่ว่าปัญหามันเป็นอย่างนี้ว่ามันพิจารณาไม่ง่ายหรอกเนื่องจากว่ากายนี้มันมีอัศทะมากเนี่ยนะ อาซาธาแปลว่ามันน่ายินดีมากตัวของกายเนี่ยน่ายินดีพอเห็นสมมตินะถ้ารับอารมณ์ปั๊บเห็นเพื่อนเนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตามาเลยใช่ไมไม่ใช่เลยนะแบบนี้ได้เห็นลูกศิษย์มาปั๊บโอ้อันนี้จังทุกขังอนัตตาเดินเข้าห้องแล้วงี้หรือเปล่าอ่านะลืมหมดเลยนะ บรรยายจบเพลียเออใช่แต่ถ้าในห้องธรรมะอาจจะเห็นก็ได้เขาประกาศอาทีน ว, ว่าให้เห็นคื อ, อจริงๆแล้วมันเนื่องจากอัสาทะาเนี่ยมันมันมากเกินกว่าที่จะตามเห็นโดยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะอสาทะาเยอะจริงๆเพราะอสาทะาอย่างนี้นี่แหละอันนั้นจึงเป็นสมุทยาศาศาัยสัาาจจะอสาทจึงเป็นสมุทยาศาศาัยสัจจะเพราะ คือมันก็น่าดับเอ๊ะแต่มันก็ยังเอาไปก่อนนะ <c oughs> ก็รู้ว่ามันคล้ายๆกับว่าเออธรรมะก็ดีนะถ้าปฏิบัติธรรมเนี่อรักษาศีลเป็นต้นดีไหมดีเอแต่ว่าดูหนังก่อนองเยชู้ศีนั่นแหละบังคำเต็มจะขอไปดูหนังก่อนขาดเรียนหนึ่งภาคเลยไปดูหนังนานแล้วตั้งแต่หนังบางเรื่องออกใหม่ๆ สรุปว่ารูปทั้งหลายที่พิจารณายากเนื่องจากอ ส, สาทะใช่ไหมอย่างตาเนี่ยที่เรามีตาไม่มีปัญหาเนละดูอะไรก็ชัดเจนไปหมดนี่ก็อยู่ในโลกของอ ส, สาทะตลอดใช่มมันใช้งานได้ดีตลอดมันไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยพอมันเหมือนกับอะไรข้างหน้าเต็มไปหมดแล้วชักเริ่มเห็นแล้วหูก็เหมือนกันนะตอนที่ยังคุยกันรู้เรื่องก็นึกว่าอ ส, สาทะมันแรงอะนะอสสาศัยหู แม้กระทั่งจมูกก็เหมือนกันนะรับแต่กลิ่นดีๆหรือทวารลิ้นทานอะไรก็อร่อยไปหมดเลยแต่แสดงว่าลิ้นมันยังดีใช่ไหมสุขภาพจะลุกจะเดินจะเหินอะไรก็คล่องแคล่วกระฉับกระเฉงไปหมดเลยถ้าพวกนี้ก็อัาธะมันก็เยอะเพราะนี้เป็นอัสาธาของรูป น, นะบางคนก็อัาธาภ า, ายในมีมากขึ้นอายุมากขึ้นก็บอกว่าพวกนี้อัาธะลูกหลานมากขึ้นเขาบางั้นบางคนไม่ชอบลูกแต่ว่าติดหลานมากเนี่ยนะ ทะเลาะกับพ่อกับแม่มันทุกวันแต่ว่าติดหลานจริงๆมนะัหวงมากมากเลยแหละเพราะฉะนั้นเป็นผแผนกที่สมมุติว่าพ่อแม่เนี่ยนะถ้าพ่อแม่เขาดุลูกเขานะปูกะ่กับย่าตากับยายนี่จะไปดุพ่อแม่มันอีกครั้งหนึ่งทําไมไปดุหลานฉันเนี่ยนะผแผนกนี้ก็ควบคุมพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะผมมีญาติคนคุยคุยคุยไปสักสักพักเดี๋ยวก็ไอตอเดี๋ยวก็ไอ ไอ้ไอ้นู่นไอ้นี่แหลานนะครับเดี๋ยวก็ไอ้คนนู้นมีหลานอยู่หลายคนใช่ไหมฮะ ท, ทุกทีเลยครับอมันยังงุู้นมันอย่างงี้ก็เลยเป็นคาถาไว้คุยกันนะกม็มีเรื่องหลานะพอจะมีอสสาศะท่กับเขาบ้างนะขนาด ก, ก็ไปหาเรื่องอสสาศะท่พูดคุยไปเรื่อยคือจะไม่มานาัสการในแง่อาทีนะว่าอะไรก็คิดในโลกของอ ส, สาธะอยู่ตลอดเวลาอย่างบางคนเนี่ยนะอย่าง อายุมากมากขึ้นเนี่ยประชมลูกประชมุมหลานนี่เขามีความสุขมากเลยเนะกับการรวมญาติอะไรเขาเนี่ยนะรวมญาติรวมลูกรวมหลานอะไรเข้าไปให้ไปเป็นประธานสัหน่อยเนี่ยโอ้ดีใจมากเลยแล้วก็คนนั้นก็มาอ้าสวัสดีปู่ย่าอะไรก็ว่าไปเขาก็ชอบของเขาอ่ะนะมีความสุขมากะนะนั้นพวกรูปเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งอาสาท่เมื่ออาสาท่เยอะอย่างนี้จึงไม่เป็นกายาน ป, ปัสีไม่เจริญ สติปฐานก็ด้วยเหตุผลเหล่านี้ไม่ยอมตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ตามเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่เห็นโดยความเป็นอนัตตาเห็นแต่อาัศรา์ทะคือหน้ายินดีตลอดเวลาก็เลยไม่ได้นึกว่าจะต้องจากอะไรเนี่ยนะเอาสูตรคุณมุนชูก็ได้เทวทูตเนี่ยนะเาใส่ชื่อหลานก็ี้นะเรียกหลานก็เทวทูตน้อยเพางั้นก็เออฟังนึนก็ดีนะนะ <c oughs> <c oughs> พูดแม่ไม่ได้ยินเนี่ยมุนชูเดือดร้อนแม่ เพราะคุณบุญชูนี่เขาลูกเขามีอำนาจมากาคุณบญชูเงียบอย่างเดียวหัวสินาเชื่อต้งสารลูกกลัวลูกจะบ้บาขนาดนั้นเาเป็นอย่างนั้นจริง ล, ล, ลูกหลานเขานะคุณบุญชูพูดคําเดียวที่เหลือลูกพูดหมดก็พ่อแม่เถียงลูกมันเสียหาย วัตตะทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละผู้ใดยังไม่เข้าใจมังคับปริญญาเนี่ยครับนี่แหะครับเนถามว่าง่ายยากก็ดูแลกันทำไงปริญญาเนี่ยตั้งแต่ยาตะไปเนี่ยได้ ท, า ย, ทายเป็นตีละปริญญาเนี่ ย, นนยก็ทวารใจก็คือทวารใจมันเป็นเรื่องของนามธรรมาไปแล้วอันนี้เรากําลังพูดรูปธรรมอยู่เช่นกัน นี่ถ้าเอาไปเจริญอย่างนี้บ่อยๆขึ้นนี่เป็นเป็นการเจริญกายานุปัสนาทีนี้เนื่องจากว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยเหล่านี้เนี่ยนะมั น, เ ป, น, ม น, นนะเป็นที่ตั้งแห่งสุขโสมนัสเนี่นะเป็นที่ตั้งแห่งสุขโสมนัสเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเวทนาใช่ไหมแล้วบางครั้งก็ทุกข์กับโทมนัส บางครังก็อุเบกขาพั้นในตากับสีหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพภธภาภะเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือถ้าถ้าได้สีที่ตัวเองฝ่ายฝันต้องการปรารถนาสุขสมนะั้ก็เกิดขึ้นดีใจยิ้มแป้เลยนะก็ก็จริงๆอ่ะที่เราดีใจส่วนใหญ่ไม่พ้นดีใจเรื่องเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะไม่เกินนี้หรอกผู้ไม่ได้ฌานทั้งหลายนะเป็นอย่างนี้จริงๆเขาก็มีความสุขกับ เนี่ยบริโภคเป็นจากกรมคุณนี่แหละเมื่อไหนอาหารอร่อยนะมือนั้นก็ยิ้มแป้เลยนะยิ้มแฉ่งอยู่ต่ออยู่ครึ่งวันเลยถ้ามือไหนอาหารไม่ถูกคอถูกปากเลยในวันนั้นเครียดไปครึ Hoff ่งวันอีกเหมือนกันกว่าจะได้ม <now. S 1> ือใหม่มาชดเชยอย่างไงก็แสวงหาความสุขจากอาหารไงแต่ก็ทั้งหลายก็เพราะอาศัยอาหารอาศัยอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะ พอถูกเขาชมมาก็ดีใจถูกเขาตําหนิมาทีก็เสียใจเพฉะนั้นอารมณ์พวกนี้ดูได้อย่างไงดูได้ว่าตอนไหนที่เราคิดว่าได้ลาพระนี่แปลว่าได้กับคําว่าเสื่อมลาาแปลว่าเสียเมื่อใดที่เรานึกว่าเราได้โศ ส, สุขโสมนั้ก็เกิดท่านนึกว่าเสียทุกโทมานั้ก็เกิด ก็ง่ายๆใช่ไหมรถจอดอยู่ใช่ไหมแล้วแต่เราจะคิดไนหะบางทีก็นึกว่า ด, ดีใจใช่ไหมเออมันยังอยู่พอโดนเอ๊ะตอนนี้มันเสียบางอย่างก็เสียใจเพราะนั้นหลายๆเรื่องนี้อยู่ที่คิดว่าได้หรือคิดว่าเสียเมื่อถ้าคิดว่าได้สุสมนัตเมื่อใดที่คิดว่าเสียทุกโทมนัตเมื่อใดที่เรามีความรู้สึกว่าอะไรนะเป็นยศ เสื่อมยศเนี่ยนะคือโลกธรรมพวกนี้นะรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละมันเป็นตัวโลกธรรมเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นยศเสื่อมยศตอนที่พวกนี้ประชมญาติทีก็ดีใจทีใช่ไหมเงาว่าเวยอยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีหลานไม่เยี่ยมเลยโทมนัทก็เกิดทั้นเขาบอกว่าถ้าใครไปเคยนอนโรงพยาบาลม้างดูเวลาตลอดเลยใช่ไหมว่าเ เวลานี้คนนั้นจะมาเยี่ยมคนนี้จะมาเยี่ยมตอนที่อยู่คนเดียวเลยแต่มีหมออยู่คนเดียวก็บอกแหมเขาหวังว่าถ้าป่วยแล้วคงไม่มีใครไปเยี่ยมว่างั้นจะได้เจริญกรรมาฐานเยอะๆหม อ, อยุพินเป็นยางไงหรือวะบางคนไปเยี่ยมเอาเรื่องไปให้คนป่วยคีดต่อย ไปเล่าความทุกข์ของคนไปเยี่ยมให้คนป่วยฟังอย่างเงี้ย น, นะมีไหมคมุณตูจินแบบ น, นี้ yeah. เยอะมากกลนนะเอาภาระไปเล่าให้คนป่วยฟังว่าเนี่ยนะที่บ้านมันยังไงยังไงยังไงก็พวกนี้ก็ตอนเข้ามาเยี่ยมก็ดีใจใช่ไหมญาติกลับคนไข้โดดตึกตายเลยกับสรรเสริญนะ หรือว่านินทาก็ก็อยู่ในเนี้ยผลพันธุน์สุขทุกข์ทั้งหลายของปุถุชนเนี่ยนะก็คือระหว่างเนี่ยลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญก็เกี่ยวอย่างนี้แหละทีนี้สุขทุกข์เองก็เป็นปัจจัยแห่งสุขทุกข์กใช่ไหมเช่นทุกข์ก็เป็นปัจจัยแห่งทุกข์เช่นเสียใจหน่อยหนึ่งก็เป็นปัจจัยให้เสียใจบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นอย่างเงี้ยนะ ไม่สบายใจในเรื่องใดเรื่องนั้นก็เป็นเหตุให้ไม่สบายใจต่อไปอีกหรืออีกฝ่ายหนึ่งเขาทุกมาเนี่ยนะเรายิ้มแป้เลยใช่ไหมมีความสุขมากอย่างนั้นไหมไม่ใช่เลยนะ <c oughs> เห็นคนอื่นเขามีความสุขเราก็พลอยสุขไปกับเขาเพราะฉะนั้นสุขทุกขของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นปัจจัยให้อีกสุขทุกขฝ่ายหนึ่งเกิดขึ้นถ้าอย่างผู้การเครียดเลยนะคุณนายจะยิ้มได้ยังไงเนาะ <c oughs> ถ้าคุณนายเครียดผู้การจะไปยิ้มได้ยังไงมันก็ ก็ใกล้ๆ ก, กันน่ะนะถ้าอีกฝ่ายสุขก็สุขใกล้ๆ ก, กันน่ะนะเพราะเกี่ยวมีการเกี่ยวข้องกันก็เป็นอย่างนี้คือตอนนี้กำลังทำปริญญาในเวทนานะครับเพราะฉะนั้นหรือเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนฮะนี่หมายว่าเอาเวทนานะมาทำปริญญาเน่อยติดตาม เวทนาเนี่ยนะมันก็ดูที่ว่าสีเสียงกลิ่นรสโภธภาเนี่ยมันอิทธารมหรืออนิถารมเพราะว่าเมื่อใดที่สุขโสมนัสเนี่ยเราคิดว่าสิ่งนั้นน่าปรารถนาอิถธะน่าปรารถนานะถ้ามีอิทธะที่ใดนะอิทธากันตาถ้าการตาก็ชื่อคนตาอิทธากันต า, นตามนาปาปิยะรูปตา กามมประสันหิตาบออิทธะหน้าปราธนากันตาหน้าหน้าใครนะนะหน้าใครหรือน่ารักก็ได้มนาปะหน้าเจริญใจใช่ไหมติยะรูปรตาเป็นรูปที่น่ารักมากกามมประสันหิตาเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นที่ตั้งแห่งความติดข้องจริงๆพันา้าถ้าได้รับอารมณ์ประเภทนี้เมื่อ ศกโสมมนัตก็เกิดขึ้นก็อยู่ในสับใดสับหนึ่งนะรูปอันหน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักรูปจังหวัดชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดพวกนี้รูปนี้จะเป็นที่ตั้งแห่งศกและโสมมนัตถ้าโทมนัตละ่ะตรงกันข้ามกับพวกนี้เป็นอนิจฐาอากันตาอามนาปา อภิยะรูปตาก็ณกามูประสันทิตาคือหมายว่าไม่น่าใคร่ไม่น่าอไม่น่าปราถไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่ชวนให้รักไม่ชักให้ใคร่ไม่พาใจให้กำหนัดอะไรเลยนึกในแง่ไหนก็ภาษาที่เามีศัพท์หนึ่งเขาบอกว่าหาความดีมันไม่พบเลยนะเขาว่างั้นอยากจะช่วยมันเหมือนกันแต่นึกหาความดีมันไม่พบเลยนะ อันนี้ก็กนึกเออถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีอะไรที่น่าปรารถนานึกแล้วก็ทุกข์กับโทมนัตก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าอยู่ระหว่างนี้นะถ้าอยู่ระหว่างนี้พวกนี้เป็นอะไรก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเพราะะฉนั้นวิธีพิจารณาเวทนาส่วนใหญ่เข้าพิจารณาที่ที่รูปเพราะรูปเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนานุปัสนาพระองค์จึง แสดงต่อมาพั้นเวทนาก็มีสามสุขทุกข์และอุเบกขาเวทนาเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะภาษะเกิดในหะ้เมื่อตากับสีหูกับเสียงจ ม, มูกกับกลิ่นลิ้นกับรสเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็คือเมื่อประสบประสบกับอารมณ์เหล่านี้หน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเป็นต้นก็เป็นที่ตั้งแห่งความดีใจและเสียใจนะถ้าเราเก็บภาพสีหน้าของเราไว้ตลอดเวลานะบางทีก็ถามว่ามันน้าขำไหมเดยวูดูเป็นจริงเป็นจังเครียดมากเลยใช่ พามาเคยเคยไปอะไรนะดูภาพภาพใบอ่ะนะพอมีคนพูดคุยเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หุบเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็หุบเดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็ก็ดูดูขำๆแต่แปลกนะลองบางวันนะลองดูทีวีโดยที่ปิดเสียงดูนะบีก็ฟังคขำๆดีเหมือนกะันมันตลกหน้าดูเลยอะ่ะเดี๋ยวเขาก็ดีใจเดี๋ยวเขาก็เสียใจเดี๋ยวเขาก็ดีใจเดี๋ยวเขาก็เสียใจ ก็ไม่ตัางโดยอัดคือสามารถใช้คือคำปฏิเสธเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างบางทีก็อนะถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นบางคำเนี่ยใช้อหบางคำใช้นะนไะอห์ก็มีทั้งสองอย่างอ่ะนะอหอก็แปลว่าไม่เช่นอันถ้าถ้ามีอะอยู่แล้วอย่างเงี้ยเช่นอิทาใช่ไหม ออโนเนี่ยเป็นคำพวกนี้บาทเป็นคำหุน่หนๆนโดโดๆแต่ถ้าเป็นณนะ่ะก็แสดงว่าคำต้องต้องเชื่อมกันติดกันเช่นว่าถ้าเป็นอะอยู่แล้วเนี่ยอิฐธาอย่างเงี้ยแล้วจะพูดยังไงให้ใหมันไม่น่าปรารถนาก็บอกว่าณนะอิฐธาแต่เขาเขา็าเปลี่ยนสลับกันอักษรเขาสลับกันได้เป็นอนิธาณนะอิทธาอนิธาคือตัวนี้เนี่ย เอ่าเป็นเป็นพรีฟิกเป็นน็อตก็ได้ครับเป็นนั้นก็ได้อ่าพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไวยากรณ์อ่ะนะเกี่ยวกับเรื่องไวยากรณ์เกี่ยวกับเรืเ่องหลักภาษาคือคําปฏิเสธแบบบาลีเนี่ยนะก็ก็ก็มีปฏิเสธอ่ะนะแบบภาษาไทยเนะี่ยลองปฏิเสธอะไรนะบางทีก็ใช้คําอ่ะแต่ว่าคนที่ พูดคำปฏิเสธบางอย่างก็ไม่ใช่ไหมบางทีก็ไปไม่ได้บางทีก็มีคำว่าไม่ใช่ไหมแต่บางทีปฏิเสธโดยไม่ใช้คำว่าไม่ได้ไหมบอหรือเปล่าบอใช่ใช่ก็ รู ป, ประวิจารเนี่ยนะยคือพอเราเราตรึกตรองถึงสีบางสีใช่ไหมเช่นเอานึกถึงญาติกันแล้วกันนึกถึงญาติบางคนก็โส ม, มนัสเลย วิจารณนี่แปลว่าไปไปตรึกตรองเป็นการเข้าไปตรึกตรองในเรื่องนั้นๆใช่ไพอตรึกตรองบางอย่างเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสพอตรึกตรองบางอย่างเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสการตรึกตรองบางอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเพราะบางบางครั้งนเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสใช่ไหมสังเกตดูตอนนอนไม่หลับเนี่ยพวกเนี้ยไม่ได้ปารบตอนไอ้ล้มมอนนอนเสือเสียงที่กาลังอยู่ตรงนั้นหรอก ปลยชีวิตล่องลอยไปเรื่อยใช่ไหมคิดถึงอะไรบ้างนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสบ้างเป็นที่ตั้งแห่งโทมานัสบ้างคือนอนไม่หลับนะเดี๋ยวก็นึกไปก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจแต่ส่วนใหญ่นึกแล้วก็ในที่สุดฝันร้ายจนได้คนนี้ก็เป็นรูปปวิจารณ์สัตว์ทวิจารณ์ก็นึกถึงคำนึกถึงคำบางคำนั่นก็นึกแล้วก็ปลื้มยินนึกเปภาพเดี๋ยวก็ ยิ้มไม่ออกแล้วนะนึกไปนึกมาก็เฉยๆอย่างเงี้ยนะพวกนี้เรียกว่าวสัทธวิจารคือ อ, อ, อุเบขาโสมนัสเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นสองประเภทใช่ไหมคือโสมนัสแบบเนคข ม, มะกับโสมนัสแบบกามโทมนัสแบบเนคขมะกับโทมนัสแบบกามอุเบคาแบบ เนคขมมะกับอุเบขาแบบกามก็บอกว่าอาศัยอาศัยเนคขมมะอาศัยโทมนัสที่อาศัยเนคขมมะละโทมนัสอาศัยกาม